บทที่สิเด็กกาพร้าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบุคคลที่จากโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกทิพนี้จะต้องเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเหมือนกันหมดเช่นผู้ที่ถึงแก่ความตายเมื่อวัยชารารั้นผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ในตอนแรกอาจจะยังเป็นคนชาราอยู่ก็จริงแต่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็จะรู้สึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกที ทั้งนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ากล่าวถึงสภาวะของร่างกายที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นหาได้หมายถึงสภาวะของจิตใจและสติปัญญาไม่เพราะบรรดาท่านผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์มาเป็นเวลานานตั้งแต่แก่จนกระทั่งหนุ่มเหล่านี้จะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตรงที่รูปลักษณะของร่างกายเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายจากการศึกษาวิชาต่างๆที่ท่านถนัด นอกจากนั้นจิตใจของท่านก็จะประณีสูงขึ้นเป็นลำดับจากการประกอบกุศลกรรมและมีจิตผ่องใสอยู่เสมอซึ่งแสดงว่าท่านผู้หนุ่มสาวเหล่านี้มีจิตใจเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์มิใช่ว่าจะมีจิตใจร้อนรุ่มหรือหุนหันอย่างคนหนุ่มสาวในโลกมนุษย์เลยคราวนี้ลองหันมาพิจารณาดูในทางตรงกันข้ามบ้าง คือผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆนั้นจะมีบ้างไหมและเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้เคยถามเอ็ดวินในเรื่องนี้มาแล้วและเขาได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้เด็กๆณที่นี้มีอยู่ทุกรุ่นและทุกวัยเหมือนกันตั้งแต่เด็กที่ถึงแก่กรรมเมื่อตอนแรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กขนาดโตเด็กเหล่านี้ยิ่งอยู่นานไป ก็ยิ่งเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกับคนชราทั้งหลายเหมือนกันชาวโลกมนุษย์เอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมและให้การศึกษาเด็กๆของเขาอย่างไรหน้าที่นี้เราก็เอาใจใส่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กของเราไม่น้อยไปกว่านั้นเด็กเล็กๆนั้นโดยปกติยังมีจิตใจไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ท้งโลกอันจะก่อให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตใจเหมือนอย่างผู้ใหญ่ โลกของแกจึงยังสะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสกว่าเมื่อผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้ก็จะได้เห็นสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิ์ตามสภาวะแห่งจิตของตนอนณาเขตของเด็กๆมีอยู่เป็นพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าโรงเลี้ยงเด็กแห่งสวรรค์หรือ nursery of heaven ซึ่งผู้ที่ได้ชมมาแล้วต่างพากันรับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีชื่อใดจะเหมาะสมกว่านี้อีกแล้ว เอ็ดวินก็ได้พาข้าพเจ้ากับรูธไปณสถานที่แห่งนี้เหมือนกันสถานที่แห่งนี้เป็นบริเวณกว้างขวางมีตึกอันสวยงามตั้งอยู่เป็นแห่งๆท่ามกลางลานสนามหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวสดในบริเวณจะลายเห็นไม้ดอกและไม้ผลนานาชนิดขึ้นสลับกันอยู่อย่างเป็นระเบียบน่าดูยิ่งบางแห่งก็เป็นเนินน้อยๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมโดยรอบ ภายใต้ร่มเงานี้ก็เป็นสนามหญ้าอันเคียวขจีมีนานาพัน์และหลากสีขึ้นอยู่ในแปลงซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบและมีศิลปะน่าชมดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่บางชนิดก็เป็นดอกไม้ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะดอกไม้ของโลกทิพย์นี้มิได้มีไวเพียงเป็นเครื่องประดับประดาให้ความสวยงามแต่อย่างเดียวเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์ แต่ดอกไม้ที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือสามารถส่งพลังแห่งความชุ่มชื้นมาให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกลิ่นอันหอมหวนซึ่งมีอยู่โดยธรรมดารูดได้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้ลองประคองดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือสักดอกหนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าทาตามก็ได้รู้สึกว่ามีกระแสพลังแล่นเข้ามาสู่ร่างกายทันที เป็นกระแสพลังชีวิตที่ให้ความสดชื่นอย่างประหลาดในบริเวณดังกล่าวยังมีบ่อและทะเลสาบ น, น้อยอีกด้วยบนผิวน้ำก็จะไล่เห็นพันไม้น้ำจูดอกอันสวยสดสลับสีอยู่โดยทั่วไปในทะเลสาบบางแห่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะมีเรือเล็กๆแล่นเอือยไปตามกระแสน้ำอันไหลยเย็นและเงียบสงบเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง ตึกดังกล่าวแล้วนั้นสร้างด้วยวัตถุชนิดหนึ่งดูคล้ายกับหินเอลเเบสเตอร์คือหินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิบซ้ำลื่นและขาวสะอาดมีสีเหลือบสลับกันอยู่ภายในและดูคล้ายคายกับสีรุ้งของชาวโลกมนุษย์ฉะนั้นแบบของการก่อสร้างส่วนมากก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับในโลกมนุษย์นั่นเองคือบางแห่งก็มีรอยแกะสลักอย่างประนีตบรรจงเป็นรูปดอกไม้หรือต้นไม้บ้าง แต่สิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างยิ่งก็คือกระท่อมน้อยๆตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วไปรูปร่างของกระท่อมเหล่านี้ก็เหมือนกับกระท่อมที่ปรากฏในเทพนิยายของเด็กๆนั่นเองบางแห่งก็ทำเป็นรูปท่อนไม้โค ด, คดงอๆงง อ, งอย่างน่าดูมีหลังคาสีแดงตามหน้าต่างก็มีลวดลายแปลกๆของเด็กๆโดยรอบกระทอมก็มีส่วนน้อยๆ น, น่าเอ็นดู ทำให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยายในหนังสือนิทานของเด็กชะนั้นเมื่ออ่านมาถึงเพียงนี้หลายท่านคงจะคิดว่าเมืองในฝันของเด็กๆในโลกทิพนี้แท้จริงก็ลอกแบบมาจากโลกมนุษย์นั่นเองเรื่องนี้ข้าพเจ้าใกลขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อันที่จริงแบบเมืองและกระท่อมในฝันดังกล่าวนี้มีต้นเขาไปจากโลกทิพย์โดยแท้ ศิลปินคนแรกที่ได้รับการดลใจจากโลกทิพย์ไปสร้างไว้ในโลกมนุษย์นั้นชาวโลกคงจะลืมเขาเสียแล้วเพราะเป็นเวลานานมาแล้วแต่ศิลปินผู้นั้นยังอยู่ที่นี่ยังทำงานที่ตนรักเพื่อเด็กๆของชาวโลกทิพย์ต่อไปอีกแม้ในบัดนี้กระท่อมในฝันเหล่านี้แม้จะค่อนข้างเล็กอยู่บ้างแต่ก็กว้างขวางพอที่จะให้ผู้ใหญ่เข้าไปชมได้ สำหรับเด็กๆนั้นย่อมจะรู้สึกว่าเป็นขนาดพอเหมาะกับตนทีเดียวในกระท่อมหลังหนึ่งหนึ่งก็มีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนและมีเด็กขนาดใหญ่เป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลพวกน้องๆและคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้รู้ล่วงไปด้วยดีขณะที่เราเดินผ่านไปก็ได้เห็นเด็กๆบางจำพวกจากกลุ่มเล่นกีฬากันอยู่อย่างร่าเริง บางก็กำลังนั่งอยู่บนสนามหญ้าบางครูอ่านหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจบางกลุ่มก็กำลังศึกษาวิชาพฤกษาศาสตร์จากดอกไม้ซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณโดยมีครูผู้สอนกำลังอธิบายให้ฟังเอ็ดวินได้นำเราเข้าไปหาครูผู้หนึ่งและได้แจ้งความประสงค์ของการมาของเราให้เธอทราบเธอได้รับรองเราเป็นอันดีและแจ้งว่า ยินดีจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เธอทราบให้เราฟังเธอได้กล่าวว่าเธอได้อยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลานานแล้วในสมัยเมื่อเธอยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเธอมีบุตรหลายคนเหมือนกันเนื่องจากเธอมีนิสัยชอบเด็กมากดังนั้นเมื่อเธอมาสู่โลกนี้จึงได้รับหน้าที่ทํางานต่อไปตามความถนัดและใจรักเธอได้รับความสําเร็จในการอบรมบุตรหลานมาแล้วในโลกมนุษย์เป็นอย่างดี และบัดนี้เด็กๆของเธอเหล่านั้นบางคนก็ได้ตามมาร่วมงานกับเธอที่นี่อีกเธอมีความยินดีที่ได้ทำงานเช่นนี้และตั้งใจว่าจะรับหน้าที่นี้ตลอดไปเท่าที่เราเห็นในบริเวณนี้ปรากฏว่ามีเด็กอยู่ทุกวัยนับตั้งแต่เด็กทารกซึ่งมีอายุอยู่ในโลกมนุษย์ได้เพียงสองหรือสามนาทีหรือแม้กระทั่งเด็ก ที่ไม่เคยมีโอกาสลืมตาดูโลกมนุษย์เลยจนถึงเด็กรุ่นหนุ่มสาวที่มีอายุอยู่ในโลกมนุษย์16หรือ17ปีเด็กๆ เ, เหล่านี้เมื่ออยู่จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและได้รับการศึกษาพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็มักจะเป็นครูสอนเด็กที่มารุ่นหลังต่อไปชั่วระยะหนึ่งต่อจากนั้นจึงแยกย้ายไปทำงานที่อื่นตามความถนัดของตน บิดามารดาของเด็กเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของเด็กพูดถึงแก่ความตายมาก่อนบิดามารดาข้าพเจ้าเคยถามเอ็ดวินว่าสําหรับบิดามารดาของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรคือเมื่อเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะได้มาอยู่ร่วมกันดังเดิมหรือไม่เอ็ดวินได้ตอบว่าส่วนมากไม่เป็นเช่นนั้นเลย ทังนี้เพราะบิดามารดาส่วนมากก็มักจะมีใจลำเอียงเข้าข้างบุตรธิดาของตนเป็นปกติและนอกจากนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเด็กอยู่ในหน้าที่นี้ได้ก็ต้องเป็นผู้มีจิตใจรักเด็กทั่วไปเป็นพื้นมีใช่จะรักแต่เฉพาะบุตรธิดาของตนและยังต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือต้องเป็นผู้รู้นิสัยเด็กรู้ความต้องการของเด็กและทาตัวให้เข้ากับเด็กได้เสมอ จึงจะสามารถรับหน้าที่เช่นนี้ได้ซึ่งผู้ปกครองเด็กส่วนมากไม่มีนิสัยเช่นนี้เพียงพออันที่จริงก่อนที่ผู้มีนิสัยรักในทางนี้จะเข้ารับตำแหน่งนี้ในโลกทิพย์ได้ก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนอย่างกว้างขวางมาก่อนเสมอจึงจะสามารถเข้ารับหน้าที่นี้ได้เพราะงานอบรมเด็กหน้าที่นี้ต้องการมาตรฐานที่สูงมากทั้งอุปนิสัยของผู้สอน และคุณภาพของการสอนอันที่จริงงานในหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่จะหนักหนาหรือเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นแต่เพียงว่าต้องการความสามารถของผู้สอนหลายด้านด้วยกันเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าความเจริญงอกงามของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจในโลกทิพนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในโลกมนุษย์มากท่านคงจะจาได้ว่า มันสมองของชาวโลกทิปนี้มีประสิทธิภาพในการจําสูงเพียงใดกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลมีจิตใจเจริญพอสมควรแล้วสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาในความทรงจําครั้งหนึ่งแล้วก็จะฝังติดใจอยู่ตลอดโดยไม่มีวันลืมเลือนและความเจริญของจิตใจถึงขนาดที่เรียกว่าพอสมควรนั้นก็เร็วกว่าในโลกมนุษย์มากเด็กๆที่มีจึงโตเร็วกว่าเด็กๆในโลกมนุษย์ ในระหว่างนี้เขาจะได้รับการควบคุมฝึกสอนให้ความเจริญของจิตใจและร่างกายนั้นเป็นไปนตามแนวของโลกทิพนี้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าแม้เด็กของเราจะโตเร็วกว่าเด็กของโลกมนุษย์ก็ไม่มีคนไหนที่จะทำตัวเป็นเด็กแก่แดดจนหน้าเกลียดหรือหน้ามันไส้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยในชั้นแรกเด็กๆ เ, เหล่านี้ จะได้รับการสอนถึงเรื่องความเป็นไปต่างๆที่เกี่ยวกับโลกทิพย์ของตนเสียก่อนต่อจากนั้นก็จะได้รับการสั่งสอนให้ทราบถึงเรื่องของโลกมนุษย์บ้างตามสมควรหากเด็กผู้นั้นได้ตายจากโลกมนุษย์มาตั้งแต่ยังเล็กมากหรือได้ตายเสียก่อนโดยไม่ได้มีโอกาสเห็นโลกมนุษย์เด็กๆทั้งหมดเหล่านี้จะนับถือหัวหน้าผู้ควบคุมของโลกทิพย์ในภูมิที่ตอนอยู่ ว่าเป็นเสมือนบีดาของตนเองทีเดียวการศึกษาของเด็กที่นี่มีแนวกว้างขวางมากเด็กๆจะได้รับการสอนให้รู้จักอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ก็มีวิชาหลายอย่างในโลกมนุษย์ที่เด็กๆณที่นี้ไม่จาเป็นต้องเรียนเพราะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างกันมากอันที่จริงถ้ากล่าวให้ใกล้เคียงความจริงกันแล้วก็น่าจะกล่าวไว้ว่าเด็กๆ ได้รับการบอกถึงวิชานั้นๆมากกว่าจะได้รับการสอนในวิชานั้นๆดังเช่นในโลกมนุษย์มีปัญหาที่น่าคิดอยู่อีกประการหนึ่งคือในกรณีที่เด็กเล็กๆถึงแก่ความตายก่อนแล้วบิดามารดาจึงตามมาสู่โลกทิพย์ในภายหลังเช่นนี้บิดามารดายังจะสามารถจำบุตรของตนได้ไหมถ้าเป็นระยะเวลาที่ห่างกันมาก และในเมื่อบุตรของตนนั้นก็เจริญเติบโตเรื่อย ต, ต, ตามระยะเวลาขอตอบว่าถ้าบิดามารดายังมีจิตผูกพันกับบุตรของตนอยู่เสมอก็จะต้องจำได้แน่แต่ถ้าไม่ค่อยได้มีความอาลัยหรือคิดถึงกันมากนักหรือเมื่อความอาลัยคิดถึงนั้นค่อยๆบรรเทาลงไปตามการเวลาแล้วเช่นนี้ก็อาจจะจาไม่ได้เหมือนกัน เรื่องเช่นนี้มีสาเหตุเกี่ยวกับความต่อเนื่องแห่งกายทิพย์และกายเนื้อของมนุษย์อยู่บางประการคือในระหว่างเวลาที่มนุษย์นอนหลับนั้นเขาจะลืมกายเนื้อไปชั่วขณะในระหว่างนี้กายทิพย์จะพากออกจากกายเนื้อได้ชั่วคราวแต่จะยังคงไม่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อเสียทีเดียวทั้งนี้เพราะยังมีสายใยอันเป็นเสมือนแม่เหล็กเชื่อมโยงไว้สายใยนี้เป็นเรื่องผูกพันสายชีวิต ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยแท้ตราบใดที่สายใายนี้ยังไม่ขาดกายทิพย์ที่พากออกไปก็จะสามารถกลับคืนมาสู่กายเนื้อได้ดังเดิมแต่ถ้าสายใายนี้ขาดลงเมื่อใดกายทิพย์จะพากออกไปโดยเด็ดขาดซึ่งต่อจากนั้นจะเหลืออยู่แต่กายเนือ้ออันปราศจากชีวิตซึ่งเราเรียกกันว่าความตายกายทิพย์ ที่ออกไปจากกายเนื้อในขณะหลับนั้นบางครั้งก็ยังคงล่องลอยอยู่ในบริเวณใกล้กๆกับกายเนื้อนั่นเองแต่บางครั้งก็อาจเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ตามชั้นที่สมควรแก่ภาวะแห่งจิตใจของตนได้คือถ้าจิตของผู้นั้นปราณีตมากกายทิพย์ก็อาจจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าจิตของผู้นั้นยังมีความราณีตไม่เพียงพอ กายทิพย์ก็คงจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ชั้นรองลงมาตามสมควรแก่ระดับแห่งพื้นเพ จ, จิตของตนนั่นเองด้วยเหตุนี้กายทิพย์ที่ท่องเที่ยวไปชั่วคราวเช่นนั้นก็มีโอกาสได้รู้เห็นความเป็นไปของโลกทิพย์ได้ตามสมควรซึ่งอาจได้ติดต่อพบเห็นบุท ธ, ธิดาของตนที่ลวงลับไปก่อนแล้วนั้นก็ได้ถ้ามีความประตนารแรงพอและในทํานองเดียวกัน ก็อาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆที่ได้ลงรับไปนั้นมารอคอยอยู่ก่อนแล้วส่วนมากกายทิพย์ของบิดามารดาดังกล่าวนั้นจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปพบกับบุตรธิดาของตนถึงบริเวณที่เด็กอยู่โดยเฉพาะทีเดียวแต่จะได้พบกันในที่แห่งอื่นตามสมควรด้วยเหตุนี้บิดามารดาจึงสามารถจาบุตรธิดาของตนได้แม้ว่าบุตรธิดานั้น จะเติบโตมีรูปลนะักษณะผิดแปลกไปบ้างก็ตามข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องมีความผูกพันระหว่างกันอยู่เสมอจึงจะมีการพบปากกันในสภาวะดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าความผูกพันนั้นๆจะเป็นไประหว่างเพื่อนต่อเพื่อนญาติต่อญาติหรือสามีต่อภรรยาก็ตามหากความผูกพันระหว่างจิตของบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่มีอยู่แล้ว อุบัติการเช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากเป็นการบังเอิญนานๆครั้งเท่านั้นอาณาจักรของเด็กๆณที่นี้มีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งทีเดียวภายในบริเวณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสนองความต้องการความผาสุขการเรื่อนเริงและการศึกษาของเด็กภายในตัวตึกซึ่งเป็นโรงเรียน ก็มีหนังสือตำรับตำราสรพวิทยาการครบถ้วนเท่าที่จำเป็นสำหรับการวางมาตรฐานความรู้ของเด็กๆให้เพียงพอที่จะได้มีโอกาสเลือกทำงานตามความถนัดของตนต่อไปในภายหน้ามีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทดลองและสิ่งอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเท่าที่สามารถจะจัดขึ้นได้ทั้งนี้เราจะต้องสอนเด็กเล็กๆที่ยังเป็นทารกอยู่จนกระทั่งถึงเด็กโต ซึ่งท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพียงใดไม่น้อยไปกว่าในโลกมนุษย์ทีเดียวเด็กที่ได้ตายจากโลกมนุษย์ในขณะที่กำลังเรียนหนังสือค้างอยู่นั้นก็มาเรียนต่อได้เลยทีเดียวแต่วิชาที่เรียนนั้นก็ย่อมจะแตกต่างกับวิชาในโลกมนุษย์เป็นธรรมดาเพราะบางวิชาในโลกมนุษย์ก็กลายเป็นของที่ไม่มีประโยชน์สาหรับในโลกทิพย์ดังนั้น จึงต้องศึกษาวิชาที่สมควรแก่สิ่งแวดล้อมใหม่นี้โดยเฉพาะเท่านั้นเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมีความรู้ความสามารถพอสมควรแล้วก็จะได้ออกจากโรงเรียนไปทำงานต่างๆตามความถนัดของตนต่อไปงานเหล่านี้มีหลายอย่างหลายประเภทต่างๆกันและเขาจะต้องประจำอยู่ตามสถานที่ต่างๆกันความเป็นไปของเด็กๆณที่นี้ ในชั้นแรกก็ทาความพิศวงให้กับข้าพเจ้าไม่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเด็กๆอยู่ด้วยในสถานที่และสภาวะเช่นนี้แต่เมื่อคิดไปอีกทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเพราะเมื่อคนหนุ่มสาวหรือคนแก่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากความตายของเขาแล้วจะไหนเด็กๆซึ่งเป็นมนุษย์จิตใจเหมือนกันจะดารงอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันไม่ได้ แต่แม้จะได้คิดถึงหลักธรรมดาดังได้กล่าวมาแล้วก็ตาม้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคงจะอดประหลาดใจและตื่นเต้นเสียไม่ได้ในเมื่อได้เห็นความมโหฬารของระบบ ก, การศึกษาของเด็กๆในโลกทิพย์เช่นนี้มันเป็นประจักษ์พยานแห่งความเอาใจใส่อ ย, ย่างดียิ่งซึ่งมีต่อเด็กๆอย่างชนิดที่พวกเราแทบจะคิดไม่ถึงทีเดียวว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นี่แหะ คือส่วนหนึ่งของสภาวะความเป็นไปที่เกี่ยวกับเด็กในโลกทิพย์ทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างได้รับความสุขและอิสระอันสมบูรณ์และยั่งยืนอยู่ตลอดกาลหมายเหตุเพิ่มเติ ม, ตมจากผู้บันทึกเสียงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะโชคดีและจะต้องไปเกิดในที่นี้เสมอนะครับ ยังมีปัจจัยหลายอย่างทั้งบาดเก่าที่อาจดึงลงพบต่ําตาด้วยจิตห่วงพ่อแม่ห่วงของเล่นหรือจิตอกุศลรุนแรงการตายผิดธรรมชาติก่อนอายุไขที่อาจต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นหรืออยู่ใกล้ญาติพี่น้องก่อนชั่วระยะหนึ่งยังรวมไปถึงการที่ญาติพี่น้องทําร้ายทางอ้อมจนคนตายไปดีไม่ได้หรือแม้แต่ที่ชอบทํากันเช่นจะไม่เผาจนกว่าจะจับคนร้ายได้ แทนที่จะรีบประกอบพิธีทําบุญน้อมจิตส่งกระแสสุขให้เด็กได้ไปเกิดในที่ดีให้ตัดห่วงในโลกนี้ก็เหมือนสร้างห่วงผูกรัง้งไม่ให้ต้องไปผุดไปเกิดได้ง่ายๆซึ่งในช่วงตายใหม่ๆสําคัญมากต้องไม่ทําอะไรที่รั้งเขาไว้บางคนก็หนักถึงขั้นขอให้มาเข้าฝันหรือไปช่วยจับคนร้ายเอาแค่หวยหวนิ่งา่ำรวนถึงคนตายซึ่งเป็นการส่งพลังงานลบไปให้มีผลในจิตเข้าหมุนมองไปด้วยหลายอย่างล้วนทําร้ายคนตายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีประเด็นสําคัญเรื่องนี้อีกมากท่านผู้สนใจติดตามได้ในภาคที่4และในชุดว่าวเสียงสวรรค์นะครับ